บทภาชณี482กรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องไม่ให้ชันทะลูกจากอาสนะจากไปต้องอบัติภาจิตตีิรมที่ทําถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่ให้ชันทะลูกจากอาสนะจากไปต้องอบัตปภาจิตตีิรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องไม่ให้ชันทะลูกจากอาสนะจากไปไม่ต้องอบัตทุกกฎ คำที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกรคำที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่ต้องอบัต